ถ้าอย่างพระอรหันต์แล้วท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วรู้ยากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเทวดาและมนุษย์ไม่รู้เลยว่าท่านเป็นยังไงเพราะท่านไม่ได้มีสิ่งที่เรามีเป็นอารมณ์ท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเราเลยไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเนี่ยนะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้น่ะนะเป็นผู้ที่ไม่อาศัยและคนอื่นรู้ยากทีนี้มาดูในนิเทศสนธิต่ตอเลยว่า ความสัมพันธ์การแนะนํากับการแนะนำเนี่ยนะนิเทศนี่แปลว่าการแนะนำนะแนะนํากันเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงนิเทศก็คือการถ้าพูดอีกในหนึ่งวิทีอธิบายวิทยาทีบายนั่นแหละว่าอธิบายอย่างไรนะคือสั่งสอนแนะนํากันอย่างไรขยายอย่างไรบุคคลทั้งหลายผู้มีจิตอันตันหาทิฐิอาศัยพึงแนะนําด้วยอากุศล บุคคลผู้มีจิตอันไม่อาศัยด้วยตันหาและทิฏฐิพึงแนะนําด้วยกุศลทําไมแนะนําด้วยอกุศลก็เขาเป็นผู้มีอากุศลอยู่แล้วทําไมต้องไปแนะนํามากุศลคือคนที่มีอากุศลในเรื่องใดๆเนี่ยนะก็พูดเปิดเผยว่าอากุศลที่เขามีเนี่ยมันมีโทษอย่างไรเช่นยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกล่าวถึงบุคคลผู้มีทิฏฐิเนี่ยพระองค์แนะนำว่ายังไง ดูก่อนพิสูจทั้งหลายคติสองของมิจฉาทิฐิคือนรกกับเดรฉานก็คือแนะนําว่าเออเนี่ยมิจฉาทิฐิเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอกุศลอย่างนี้กายกรรมที่เกิดจากมิจฉาทิฐิก็มีโทษวจีกรรมที่เกิดจากมิจฉาทิฐิก็มีโทษมโนกรรมที่เกิดจากมิจฉาทิฐิก็มีโทษเพราะฉะนั้นก็พูดถึงว่ามันทุกโทษอย่างไรมันเสียหายอย่างไรมันเลวร้ายอย่างไรประดุษเหมือนกับพืชเสดาพืช บวบขมเป็นต้นใช่ไหมมันไม่หวานฉันใดแล้วมันยังให้ผลเป็นทุกข์อีกต่อไปอันนี้แหละเป็นการแนะนําด้วยอกุศลเพราะอากุศลแปลว่ามีโทษและให้ผลเป็นทุกข์ก็ชี้แจงว่าเนี่ยนะถ้าจิตเราอาศัยด้วยตัณหาและทิฐิเนี่ยมันมีโทษมันให้ผลเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ก็เลยเอาเรื่องอกุศลเนี่ยมาชี้แจงมาแนะนํามานิเทศให้ฟังเนี่ยนะแต่นับมายากมากนะถ้าพูดไม่ถูกกานะกระถือดียังไงมาบอกฉัน ยุ่งมากเลยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแนะนำการนี่นง่ายนะยากมากเพราะว่าเขาไม่ใช่จะให้รับคำแนะนำง่ายๆใช่เหมือนเราเนี่ยใครแนะนำเราก็ไม่ง่ายนะดูแลนึกง่ายๆเนี่ยนะใครจะมาสอนเราเนี่ยนะอย่าเลยอย่าเลยไปฟังทำไม่ดีหรอกเราไม่ชอบเลยนะแเนะเราก็ไม่ใช่แนะนำง่ายคนอื่นก็เหมือนกันเราจะแนะนำคนอื่นก็ไม่ใช่ ง, ง่ายๆอะไรแต่ว่าหลักการแนะนาเขาเป็นอย่างนั้นหลักการนิเทศขยายต้องเป็นแนวนี้ว่าถ้าจิตที่มีตัณหากับทิฏฐินะต้องเอาเรื่องโทษมาแสดงถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีตัณหาอาศัยไม่มีทิฏฐิอาศัยก็ต้องแสดงด้วยกุศลว่าเออควเรเจริญดีแล้วอกุศล ค, คือตัณหาทิฏฐิถ้าจริงๆวิธีแก้ก็แก้ด้วยกุศลใช่ไ ตันหาที่ถี่นี่เป็นตันหามีกี่ประเภทตันหาย่่อๆก็3ใช่ไหมการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาพิสดารไปกว่านั้นอีกก็เป็นรูปประตันหาเรียกว่าตันหา6กว้างขวางกว่านั้นอีกก็ตันหา36หใช่ไหมหรือตันหาร้อยแปแต่จริงๆถามว่าแล้วตันหาเนี่ยคือปริยายโดยการแบ่งโดยวิธีต่างๆ ถ้าพูดตามมันเกิดแล้วก็นับไม่หวาดไม่ไวนะแต่นี้ก็พูดตามตำแหน่งโดยประการต่างๆเรียกว่าจับไว้อะไรนะหมวดหมู่กลุ่มใหญ่ๆเฉยๆผู้มีจิตอันอาศัยด้วยตัณหาทิฏฐิเนี่ยก็แนะนำด้วยความเศร้าหมองผู้มีจิตอันไม่อาศัยด้วยตัณหาทิฏฐิก็แนะนำด้วยความหมดจดคือเศร้าหมองมาจากบาลีว่าสังกิเลกะใช่ คือถ้าผู้มีจิตเศร้าหมองเนี่ยนะมีจิตอันอาศัยด้วยตัณหาทิฏฐิเนี่ยความเศร้าหมองคือสังกิเลสมีสามอย่างนะหนึ่งทุจริตสองตัณหาสามทิฏฐิเนี่ยนะเออมันเศร้าหมองอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าจิตที่ถูกอาศัยแล้วเนี่ยทุจริตกลุ่มรุมตัณหากลุ่มรุมแล้วก็ทิฏฐิกลุ่มรุมส่วนจิตที่ไม่อาศัยด้วยตัณหาทิฏฐิและทุจริตนี่คืออะไร จิตไม่อาศัยเนี่ยนะมันมีทุจริตตันหาทิฏฐิแกแก้ทุจริตด้วยศีลแก้ตันหาด้วยสมถะแก้ทิฏฐิด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะั้นก็ได้ยนหะิก็ไตรสิกขานยไตยรสิกขาเนี่ยเป็นตัวแก้สังกิเลศใช่ครับ ผู้มีจิตอาศัยพึงแนะนำด้วยตัณหาและอวิชชาอันนั้นก็แนะนำว่ายังไงสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดท่องเที่ยวไปในวะตะอันมีเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏใช่ไม้มก็เสียใจพราะพ่ อ, พอตายน้ำตากมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าผู้ที่มี ถูกอาศัยเนี่ยนะก็เอาอาวิชากับตันหามาบอกมาสอนนะเนี่ยถ้าปล่อยให้จิตถูกตันหากับทิฏฐิอาศัยอย่างนี้นะวะตะยาวนะเนี่ยเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งวัตะมูลเป็นที่ตั้งแห่งตันหาและอวิชชาผู้มีจิตอันไม่อาศัยด้วยตันหากับทิฏฐิพึ่อแนะนําด้วยสมถะกับวิปัสสนาใช่เพราะสมถะเป็นตัวกําจัดตันหาวิปัสสนาเป็นตัวกําจัด อวิชชาเนี่ยนะก็เจริญสมถาวิปัสสนานะสมถาวิปัสสนาเนี่ยเป็นยุคหนธรรมเป็นธรรมคู่ที่จะนําออกจากทุกเนี่ยเป็นพาเวตประธรรมใช่ไหมธรรมหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติสหรคต ด, ด้วยความสําราญธรรมสองที่ควรเจริญคือสมถาวิปัสสนาธรรมสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามธรรมสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฏฐานสี่ธรรมห้าที่ควรเจริญคือ สมาธิหเนี่ยนะสมาธิมีองค์5หรือสมาธิห้าทำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหกทำเจ็ที่ควรเจริญคือโพชฌงเจ็ดทำแ8ที่ควรเจริญคืออริยมรตมีองค์แปดทำเกที่ควรเจริญคือธรรมที่มีโยนิโสเป็นมูล9กใช่ไหมอ่าบริสุทธิประธานนียังฆ่าเก้าแว่าองค์ที่ตั้งแห่งความเพียรเครื่องบริสุทธิ์9เนี่ยนะ แล้วก็ทําสิบที่ควรเจริญคือกระสินสิบโอ้เก่งมากะนะรู้แล้วภาวเวตปธรรมไปเจริญอะไรนะเชียงใหม่อายแนะ่อย่างงี้เพราะเชียงใหม่รู้ว่าลูกหนึ่งคืออะไรอย่างงี้พระรู้กรุบปริญญาธรรมอ่ะนะเอาส่วนผู้ที่มีจิตอันอาศัยด้วยตันหากับทิฏฐิแนะนำด้วยอหิริกะกับอนโนตปะ อหิริกาตอโนต ป, ปะเนี่ยนะสำหรับผู้ไม่อายชั่วไม่กลัวบาปเนี่ยตามด้วยอะไรตามด้วยความไม่มีอินทรีสังวรถ้าไม่มีอินทรีสังวรแล้วด้วยตามด้วยอะไรทุจริญสามถ้าทุจริญสาบริบูรณ์นี่อะไรนิวรณก็กลุ่มรุมถ้านิวรณกลุ่มรุมร ม, มากๆอะไรจะเกิดขึ้นนิวรณกลุ่มรุมนะภาวะตันหาก็มากถ้าภวะตันหามากอาวิชาก็ไม่ได้ลดลงเลยนะ ว่าตาก็ยาวอย่างนี้เพราะน่อหิริกะอนนี้อโนตตาปานี่ก็อหิริกะไม่ละอายบาปอาโนตตาปะไม่เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยสำหรับผู้ที่ถูกตันหาที่ทีอาศัยนี่ก็ต้องแนะนํากันหน่อยส่วนผู้ที่จิตไม่อาศัยก็แนะนําด้วยสติสัมปัญญาเนี่ยนะสติสัมปัญญานี่นำมาซึ่งอะไรอินทรีย์สังวรอินทรียสังวรนํามาซึ่ง สุจเรตสามสุจเรตสามนำมาซึ่งสติปฐานสสติปฐานสีก็นำมาซึ่งพ่อชองเจ็ดพ่อชองเจ็ดนำมาวิชากับวิมุตเนี่ยนะมันก็แนะนำด้วยสติสัมปชัญญะเพราะว่าสติสัมปชัญญะดีอินทรสังวรเป็นต้นก็จกดีผู้มีจิตอาศัยพึงแนะนำด้วยเหตุอันไม่สมควรและการทำไว้ในใจโดยไม่ถูกต้องเหตุอันไม่สมควรเนี่ยนะ กับอโยนิสมนัสิกานก็ ล, ลืมดูบาลีมาว่าเหตุไม่สมควรนี่บาลีว่างไงอโยนิโสมนัสิการก็คิดตามแนววิปะนะัสสนาว่าใส่ใจว่าเที่ยงงามสุขและยั่งยืนนี่เรียกว่าอโยนิโสมนัสิการส่วนเหตุอันไม่สมควรนี่ก็นึกบาลีไม่ออกนะที่บาลไม่ได้ส่วนผู้มีจิต อันไม่อาศัยตกไม่นะผู้มีจิตไม่อาศัยเนี่ยนะควรแนะนำด้วยเหตุอันควรเหตุอันสมควรและการทำไว้ในใจโดยถูกต้องคือโยนิสโสมนัสิการเพันจิตที่ไม่อาศัยเนี่ยแนะนำด้วยโยนิสโสมนัสิการใครที่จิตที่ถูกตัณหาที่ิอาศัยนะแนะนำเรื่องอโยนิสโสมนัสิการถ้าจิตไม่ถูกอ า, อาศัยก็แนะนาด้วย โยนิโสมนสิการโยนิโสมนัสิการเดี๋ยวเราเรียนในสภาสวะสังวรสูตรก็จะได้กล่าวที่นั่นพิสดารอีกครั้งหนึ่ง น, นะวันเสารส่วนผู้มีจิตอันอาศัยพึงแนะนำด้วยความเกียดคร้านและความเป็นผู้ว่ายากเกียรครานนี้ก็ไม่เจริญบุญพอกพูนบ่าวไว้แต่ไปหมดเลยเรียกว่าเกียดครานส่วนว่ายาก ว่ายากในที่นี้หมายความว่าถ้าบอกให้ไปทํากุศลไม่เอาแต่ถ้าบอกให้เจริญอกุศลโอ้รีบอันนี้เรียกพวกนี้เรียกว่ายากพวกว่ายากสอนอยากเนี่ยท่านเป็นทางธรรมะเขาบอกว่าถ้าอุปช า, าจารย์สอนให้เรียนพุทธพจน์ท่องบนสาธยายเจริญกรรมฐานหุ้ยไม่เอาเลยแต่บอกว่าเนี่ยไปเที่ยวกันเถอะเนี่ยนะไปหาเดาชะฉานคาถาสนธนากันเถอะอันนี้รีบเลยนะอันนี้เรียกพวกเกียรครานหรือพวกว่ายากว่ายากก็คือว่าให้ทํากุศลนะไม่เอา แต่บอกให้เจริอากุศลโอ้นี่ขยันมากเร็วมากอันนี้เรียกเลยเรียกว่าว่ายากว่ายากสำหรับผู้หวังดีเนี่ยนะแต่ว่าง่ายสำหรับผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยส่วนผู้ที่มีจิตอันไม่อาศัยก็แนะนำด้วยความเพียรและ ว, ว่าง่ายแนะนำเรื่องสัมมารประธานแนะนำเรื่องโสวจัสตาใช่ว่าง่ายว่าง่ายก็คือเจริญกุศลท่านในพระไตรปิฎกนี่เขาเรียกใครเป็นตัวอย่าง ก็พ ร, ราาพระราธาเนี่ยนะพระราธะเนี่ยซึ่งภาษาบิดบทนี่เขาบอกว่าพระราธานี่บวชตอนอายุมากแต่ปกติคนอายุมากแนะนํายากแต่พระราธาไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันภาษาบิดบทบอกว่าโอ้ได้ลูกศิษย์แบบนี้นะในมากเท่าไหร่ก็รับได้หมดเลยหลังนั้นก็คือสอนง่ายแนะนําง่ายเพราะพระราธาเนี่สอนไม่นานก็บรรลุเลยนะนะเพราะว่าเป็นผู้ที่ว่าง่า ย, ยานีนะอบวชตอนอายุมาก บวชอายุมากซึ่งปกติแล้วก็ไม่ง่ายเลยเพือคืออะไรเพราะว่าสูตรอย่างคนรุ่นลูกรุ่ น, นหลานแนะนำเนี่ยมันทำใจลาบากเหมือนกันนะเนี่ย น, นะือปกติบางคนเนี่ยที่มาบวชเนี่ยก่อนหน้านั้นเคยมีอำนาจเคยอะไรทาอะไรตามใจตัวเองได้ทุกอย่างใช่แล้วมาบวชเข้าแล้วมันต้องอยู่ในโอวาทของของผู้ที่อายุน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าเนี่ยของเก่ามาหมดเลยมำนาะก็เกิดมากเพ แนะนำให้เรื่องอะไรเรื่องอาหารเขาแนะนํายากจริงๆคือในในหมู่บ้านตามชนบทเนี่เห็นชัดเลยคนที่บวชตอนอายุมากๆแล้วนียเขาาอยากฉันอะไรก็จะฉันตามเรื่องของเขาเขาอยากทําอะไรก็นิสัยคารวะมา80ดเปอร์เนตลยนะห่มผ้าอีกหน่อยหนึ่งมีสวดมนต์ทำวัดอีกบ้างอะไรเนี่ยนะแต่ว่าโดยรวมๆเดิมๆนีเเเ่เหมือนเดิมเกือบทุกอย่างเลยนะมันก็ไม่ง่ายเลย แล้วก็ตอนหลังก็ครองวัดเองเลยนะมีอำนาจบริหารวัดเต็มที่นั้นก็ได้บาปไปบาลในชาตินี้พ่ายแพ้ในทางโลกก็พ่ายแพ้อีกชั้นหนึ่งเลยนะมาบวชเข้ามาแพ้รอบสององนะีกเลชีวิตนูนนาสงสารเลยก็จริงไงวัดวาที่โยมเข้ามาเนี่ยนะมันมันเป็นของที่เรียกว่าเขาสละแล้วนะแต่เราอ่ะมารับบาปรับกรรมในของที่เขาสละเนี่ยนะ ทีจริงพระเนี่ยถ้าถ้าคิดเป็นสักนิดหนึ่งะนะทาไมเราต้องไปบาปในวัตถุที่เขาทําบุญกันอ่ะนะก็แต่ว่าไม่น้อยนะไปถกไปแกงแย่งกันทะเลาะบอแวงกันไปมีอํานาจห่วงหน้าห่วงหลังในของที่เขาสละแล้วบางทีนะถ้าพูดตามความรู้สึกนะของที่เขาทําบุญไปกับของที่เขาเททิ้งเนะี่ยมันมีค่าเหมือนกันเขาไม่อาลัยอาวรณ์เหมือนกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้โไปรับแล้วก็ทะเลาะกันนะนนี้เพราะว่าไม่โยนิโสมนสัสการ ว่ายากพระพุทธเจ้าว่านะยากมากแต่คนอื่นแนะนําเนี่ยโอง่ายเชื่อหมดอะนะนะเช่นพวกหลอกขายของให้เนี่ยโอ้เชื่อหมดเลยนะเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่คยเชื่อหรอกส่วนผู้มีจิตอันอาศัยด้วยตัณหากับทิฏฐิแนะนําด้วยความไม่มีศรัทธาไม่เชื่อก็คือไม่มีศรัทธากับความประมาทเนี่ยนะผู้ที่ไม่ศรัทธากับประมาทนี่พวกนี้คู่กัน เพราะถ้าเขาไม่ศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยนะชีวิตก็อยู่ด้วยความประมาทปล่อยจิตไปในการมคุณปล่อยจิตไปในทุจริตเจริญกุศลก็ขยักขย่อนเต็มทีเพราะเขาไม่มีศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรยัยส่วนผู้ที่มีจิตไม่ถูกตันหาทิฐิอาศัยก็มีศรัท ธ, ธาแล้วก็ไม่ประมาทมีศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรยัยไม่ประมาทในศิกขาสามที่พระพุทธเจ้าสอนผู้มีจิตอันอาศัยพึงแนะนําด้วยการไม่ฟัง ทำของสัตว์บรุษและการไม่สัมรวมก็ไม่ฟังธรรมและก็ไม่มีสังวรใช่ไหมไม่ไม่มีความสัมรวมผู้ที่จิตถูกตันหากทิฐิอาศัยนะใครที่มีทิฐิเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาไม่ได้ฟังธรรมของสัตว์บุรุษเขาไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาไม่ฟังธรรมเนี่ยเขาจะเป็นสัมมาทิฐิได้อย่างไรใครที่ไม่ได้ฟังธรรมและมีความเห็นถูกนะเขามาจะแปลกใจเอามากเลยว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเนี่ย ก็เพราะฟังแต่เสียงของปาปมิตรเพราะในโลกนี้นะคนทั้งหลายเนี่ยจะฟังแต่เฉพาะมิจฉาวาจาที่กล่าวพรรณนาการทําอกุศลกรรมบท10ในโลกนี่ที่เราได้ยินนะถ้อยคําเกี่ยวกับปาณาติบาตถ้อยคําเกี่ยวกับอธินนาทานถ้อย ย, ยกตัวอย่างเลยอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยปาณาติบาตขึ้นมาหัวข้อโตเลยอธินนาทานก็โตกาเมก็โต มุสาวาจก็โตคําด่าก็โตซอเสียดก็โตพุสวาจาก็โตอับทยาบาดก็โตอภิชาก็โตมิจชาทิฐิกบาลท่านก็มันก็รับแต่ข้อมูลที่เป็นรับอกุศลกรรมบทเนี่ยนะมาตลอดรับมิตรอ่าเรียกอะไรนะรับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะของสัตว์บุรุษเนี่ยนะเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอกุศลกรรมบทสิบเป็นสมุธฐานมันก็ฟังแต่อย่างนั้นมาเนี่ยแล้วถ้าเขามีสัมมาทิฐิเกิดน่าจะแปลกใจมาก เพาเขาส่องเศษแต่แบบนั้นมาเนี่ยนะแต่ถ้าศึกษาปตาัตยปิฎกมากแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็น่าแปลกใจว่ามันเป็นอะไรมันเกิดขึ้นอ่ะนะขนาดอยู่ในพุทธสํานักยังเพี้ยนเลยนะจะ ก, กล่าวไปยัยยังอยู่ที่อื่นเนะี่ยนี่ก็น่าคิดเหมือนกั น, นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะนะอ๋อศึกษาปตาัตยปิฎกแล้วเพี้ยนเหรอปกติเนี่ยนะในในยุคนี้เนี่ยปกติเลยนะสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ไม่มีเนี่ยนะอย่างอริธาสมัมมณี รพระฤทธาสัมเณีกันตกะเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็มิจฉาทิฐิแล้วก็พวกสมัยที่นิกายอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็ศึกษาคําสอนแต่ขนาดนั้นยังผิดเขาบอกขนาดอยู่ในพุทธสํานักยังมีผิดอยู่บ้างจะกล่าวไปยายถึงถึงข้างนอกอะนะถึงข้างนอกก็ไม่น่าแปลกใจอะไรแต่ถ้าคนข้างนอกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ศึกษาคําสอนแล้วเข้าใจถูกเลยนะกุศลกรรมบทดีเยี่ยมโอนี่แปลกใจว่าทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมดีเหลือเกินเนี่ยไง บนเก่าดีมากเลยนะฮะทายาสายเก่าดีมากแต่ว่ามีน้อยนักคือในโลกนี้นะสิ่งที่เรารับเนี่ยตรงๆแล้วเป็นการรับอกุศลกรรมบทสิบเต็มๆเลยหัวข้อข้อมูลที่เราไม่ว่าจะอ่านจะได้ยินจะอย่างนิยายทั้งหลายแหละเนี่ยนะถ้ามนหนังละครทั้งหลายเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยรกรรมบทสิบทั้งหมดกิจกรรมกรรมบทสิบนะนะหนังสงครามปาณาติบาตใช่เกี่ยวกับเรื่องรับบ้าง ผิดกาเมบ้างเรื่องมูสาว่าตลบตะแลงบ้างเรื่องขี้เหล้าเมายาบ้างอะนะั้ว่าปนๆแล้วก็อยู่ในอกุศลกรรมบดสิที่เรารับเนี่ยถ้าใครที่เจริญกรรมบทเป็นหลักเนี่ยจริงๆเอามาพิจารณาในชีวิตเนี่ยได้มากเนี่ยนะถ้าใครปฏิบัติทำอะไรไม่ได้ลึกซึ้งมากก็เจริญกรรมบท10เถอะแล้วจะรับรู้ว่าส่วนใหญ่ข้อมูลที่ ท, ที่ที่ได้จากบุคคลที่ไม่ใช่พระอริยเจ้า มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเป็นผลของอกุศลกรร ม, มบทเป็นวาจาที่ประกาศอากุศลกรร ม, มบทเพราะอากุศลกรร ม, มบทสิบเนี่ยล่วงมาทางวจีวจีทวานโดยกรรมเนี่ยเป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมใช่ไหมแต่ทวานนี่ล่วงมาทางวจีทวานมิจฉาทิฏฐินี่เป็นมโนกรรมแต่ล่วงมาทางวจีทวานเป็นต้นนั่นเอง เขาไม่ได้ฟังธรรมของสัตว์บุรุษเนี่ยนะก็เลยทำไม่มีจิตอาศัยแล้วก็ไม่สํารวมด้วยนะไม่ตั้งอยู่ในความสังวรถา้าไม่ฟังธรรมกับไม่สํารวมอันนี้ก็ปกติเนี่ยนะเพราะไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังเรื่องสิกขาสามแล้วก็ปล่อยปลาละเลยปล่อยจิตไปในบาปอากุศลนี่ก็ถือเรื่องธรรมดาท่านก็ต้องแนะนําให้รู้จักว่าไม่สํารวมและมีโทษอย่างนี้อย่างนี้นะยังชอบคําหนึ่งนะวาจาเยี่ยงจอบในเรื่องอะไร เรื่องพระพระอริธะเออเขอ้โกกาลิกะเนี่ยนะวาจาเยี่ยงจบเนี่ยนะขุดตนใช่ไหมที่ที่คนพาเ น, นี่ยนะคพูดขุดตัวเองจริงๆเลยนะผู้ไม่สำรวมเนี่ยคำพูดของคนที่ไม่สำรวมนะเป็นคำพูดที่อันตรายที่สุดเลยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาพูดอะไรกลาลังจะเกิดขึ้นกับเขาอ่ะนะอยู่ๆเขาดูหมินพระพุทธเจ้าขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับเขา เหมือนอะไรอยู่ๆแล้วเหมือนอะไรนะเข้าไปในเขตวังแล้วดูหมินในหลวงหมินเอาหมินเอาเนี่ยนะนนไม่นานอ่ะเดี๋ยวแน่เสร็จแน่เนี่ยนะเหมือนกันผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องคุณพระรัตนตรัยแล้วหมินพระรัตนตรัยเนี่ยน่าเห็นใจมากๆเลยนะพวกวาจาประดุดจอบทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ขุดใครที่ไหนหรอกขุดตัวเองนั่นแหละส่วนผู้มีจิตอันไม่อาศัยก็แนะนำด้วยการฟังธรรมกับการสังรวมส่วน ผู้มีจิตอาศัยก็แนะนำด้วยอภิชากับพยาบาทเนี่ยนะอภิชาก็คือเพ่งเล็งใช่ไหมพยาบาทก็โกรธระโกรธผู้ที่จิตอาศัยด้วยตัณหากับทิฐิเนี่ยอภิชากับพยาบาทนี่แรงนะส่วนผู้มีจิตอันไม่อาศัยก็แนะนำด้วยอนาพิชากับอพยาบาทอนาพิชาก็อสุภะเป็นต้นเนี่ยนะอยาบาทก็พรหมวิหารพรหมวิหารเรียกว่าอพยาบาท ผู้มีจิตอันอาศัยด้วยตัณหาทิฏฐิก็แนะนําด้วยนิวรณ์และสังโยชน์สุดยอดของนิวรณ์นี่คืออะไรรู้ไหมอวิชชาสุดยอดของสังโยชน์เครื่องผูกคือตัณหาเนี่ยนะครับผู้มีจิตอาศัยก็แนะนําด้วยยคร่าวๆก็นิวรณ์นิวรณ์หสังโยชน์สิบหรืออวิชชากับตัณหาก็ได้ผู้มีจิตอันไม่อาศัยแนะนําด้วยเจโตวิมุตติอันปราศจากราคะกับ ปัญญาวิมุตต์อันปราศจากอวิชชาคําว่าเจโตวิมุตติอันปราศจากราคะนี่บางแห่งหมายถึงอนาคามีมัจเนี่ยนะอนาคามีมัจปัญญาวิมุตต์หมายถึงอรหัตตะมัจในที่หนึ่งในที่สองก็เจโตวิมุตต์หมายถึงสมาธิในอรหัตตผลปัญญาวิมุตตก็ปัญญาในอรหัตตะผลอุนแนะ น, นําด้วยมัจผลน่ะ น, นะผู้มีจิตอันอาศัยแนะนําด้วยอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิและสัสตทิฏฐิ ในทิฐิหกเนี่ยนะเป็นอุเฉทิฏฐิหกเป็นอุเฉทิฏฐิเจเป็นศาสตะทิฐิที่เหลือที่เหลือที่เหลือจากเจอันนัเท่าไหกสิบอเอาออก7อันนั้นห้าเป็นศาสตะทิฐิที่เหลือทั้งหมดเป็นอุเฉทมีแค่เจเองผู้มีจิตอันไม่อาศัยพึงแนะนําด้วยสัุปาทิเสสนิพานและอนุปาทิเสสนิพาน อุดเฉททิถิเนี่ยนะคิดอีกในหนึ่งง่ายๆก็คือผู้ที่เห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นเวทนาโดยความเป็นตนเห็นสัญญาโดยความเป็นตนเห็นสังขารโดยความเป็นตนเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเนี่ยตรงๆอย่างเนี้ยเป็นอุดเฉททิฐิเนี่ยนะที่เหลือที่เหลือทั้งหมดเป็นสัตตทิฐิผู้มีจิตไม่อาศัยเนี่ยอย่างผาระอริรยะทั้งหลายก็เป็นสัปปะทิเสสะกับ อนุปาทิเสสะอย่างนี้ชื่อว่านิเทศสนทิเนี่ยนะก็เป็นการแนะนําหรือเป็นการเชื่อมเชื่อมโยงกนันแนะนําเชื่อมหากันอะไรยังไงเนี่ยนะถ้าหลักการอันนี้ถ้าสําหรับผู้ที่กล่าวพระไตรปิฎกสอนพระไตรปิฎกก็ควรเข้าใจจะได้ผู้ถูกสอนถูกกันนะว่าไม่อย่างนั้นก็เราจะไม่เข้าใจว่าอะไรควรแนะนําอะไรไม่ควรแนะนำเนี่ยนะเอาเอาเอาเรื่องไปนิเทศในสิ่งที่ไม่ควรนิเทศก็ ก็อย่างว่าเพราะคําพูดที่ถูกคําพูดที่เป็นวาจาสุภาษิตก็ต้องรู้การด้วยใช่ไหมรู้การเป็นต้นแต่นี้สําคัญเนี่ยอันนี้พูดถึงเนื้อหาถ้าได้องค์ประกอบดีๆหมดแล้วได้การได้ได้ประชุมชนได้บริษัทได้เหตุได้ผลดีหมดแล้วแต่ถ้าแนะนําไม่ถูกอะไรเกิดขึ้นก็เสียหายฉะั้นการแนะนําที่ถูกต้องก็เป็นไปตามหลักดังกล่าวไปว่าเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนควรจะเอาเรื่องอะไรมามาแสดงมากล่าว อันนี้เรียว่านิเทศสนทิอันนี้ก็เป็นการเชื่อมบทหน้าบทหลังเกี่ยวกับการแนะนําว่าอะไรควรแนะนําอะไรไม่ควรแนะนําเพราะว่าผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะหรือผู้ที่บรรยายธรรมหรือแม้กระทั่งคนที่เขียนหนังสือก็าตามถ้าไม่เข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็ก็ลําบากเหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปแสดงและบางทีก็แสดงแล้วก็มันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆมันกลับไปสร้างปัญหาเพิ่มก็ได้ มันขั้นก็เลยบอกแนะแนวในการนิเทศนิเทศว่าอะไรควรนิเทศนิเทศอย่างไนเทศโดยใช้หลักธรรมอะไรไปนิเทศตามที่ต่างๆโดยเอาแต่หัวข้อมาดูพอเป็นตัวอย่างเนี่ยนะสำหรับผู้ที่เป็นปหูสูตรอยู่แล้วก็ไปค้นคว้าต่อไปอันนี้ก็เป็นหลักการของเจตุพยุหะหาระเนี่ยนะซึ่ง เป็นการพิจารณาธรรมสี่หมวดทวนอีกครั้งหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์หรือที่เรียกว่านิรุตติ2 2ความประสงค์หรือที่เรียกว่าที่บาย 3. นิทานหรือเหตุเห ต, เหตุกับนิทานอันเดียวกันแล้วก็ที่4ก็คือการสัมพันธ์บทหน้าบทหลังการสัมพันธ์บทหน้าบทหลังก็มีอยู่4ประการคือสัมพันธ์โดยอัฏฐะสัมพันธ์โดยพยัญชนะสัมพันธ์โดยอะไร โดยเทศนาและก็สัมพันธ์โดยนิเทศคือการแนะนำเนี่ยนะการแนะนำการขยายความซึ่งอันนี้ก็พอที่จะช่วยทำให้เราไม่เข้าใจผิดในพระไตรปิฎกมากขึ้นการเรียนเนติปกรณ์เนี่ยนะหลายท่านถึงเอาจะใช้ไม่ยังเอาไปใช้ไม่ได้ตรงๆจริงๆก็เอาไว้กันความเข้าใจผิดของตัวก็ก็ยังดีเนี่ยนะเรียกว่าระวังข้อที่ เสียหายจะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจกฎเกณฑ์บางทีเราก็ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำไปสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองขึ้นเนี่ยนะก็สมควรแก่เวลานะ